เห้ 5, ตรงกับวันจันเหมือนกันเราก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็สนุกสาธทยายสวดบางคนอาจจะเบื่ อ, องอเงาะนอนอาจจะไม่เหมือนกันกลานคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่อาจจะต่างกันบางคนบางชีวิตแห่งรูปนามก็อาจจะหลงบางชีวิตที่มีรูปนาม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 ก็ทําให้เกิดการเรียกร้องขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมคนที่ตั้งท่วมจริงๆริงไม่ได้คนที่ไม่มีน่ามไม่ท่วมเลยยังดีกว่าเก่าเพราะยังได้เงินได้ทองตอนนี้พราะอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างนี้โลกเนะี่ก็เลยทำให้มีการเรียกร้องกันไปอ่นนั้นเลยว่าสิทธิของเขาตานนั้นก็อาศัยเดินเจอได้เดินมาได้ก็ให้คนเื่นตัดสินอยญ่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 เมียก็ไปทุกข์ชวนมาว่าจะมาเลิกก็เอาพูดให้ฟังแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ยายาการเลิกเล่าเลือบบุรีก็เอามาเฟืองตัวผู้เอามาเอาแก่นาต้มปั่นแหลกเอากำมือไปต้มใส่น้ำสามแก้วเอาแก้วเดียวกินลงไปจะอาเจียนดอกจะเบื่อบุรีจะเ บ, บื่เบอเล่เเาจิตจะเล่าเวลาใดอาเจียนอ่ะ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 ก็เอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่ อ, อนแดเหมือนคนขับรถบางทีเขาง่วงเขาขับชากันไปบึง้งแรงๆสักก็หายง่วงได้ใช่ไหมบางทีเขาบอกมึงง่วงเออขับชามันง่วงเอาแรงๆด้วยมือมือมืไปมันก็หายง่วงได้ทีเราก็ออกแรงจะหน่อยยกมือทุบเข่ายิ้มยิ้มปลุกตัวเองขึ้นมาเอาลุกขึ้ขมนมาถ้ามันนั่งอยู่มันง่วงลุกกันเดิน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 ในชีวิตเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะละความชั่วพร้อมที่ทำความดีอยู่แล้วไม่จนในเรื่องนี้แน่นอนเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามทุกวันจปะปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรม ท, ที่ควรรู้ควรเห็นเป็นดัชน์ชีวิตเราเนี่ไม่มีอะไรจะสร้างสารรค์ชีิตเา่าเท่ากับธรรมชาติสร้างมาในชีวิตเราทั้งหมด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 ไปดูชุมชนที่ฐานะดีเขาไปอยู่กับเขาไปจุมดูมันจะขนาดไหนความจ น, นได้วิวกับพวกซาไกหรืออะไรเตี้ยๆเท่านั้นซาไกชุมชนชาไก ช, ม ช, ชไกุชมชนชาวเขาเขาไปอยู่กับเขาดูเขาอยู่ยังไงพวกชาวเขาเระว่าซาไกเงาะเมียเป็นชุมชนใหญ่มากประงอะซาไกเขาไปอยู่เขาเราสมัครไปอยู่กับชนชนยากจนอ๋อไปอยู่กับสะลําบ้านสะลําเขา ใครเคไปอยู่กับพวกสจัมที่ไหนหลวงพ่อเคยไปประเทศฟิลิปปินส์นะเขาให้เราไปอยู่กับสจัมไปด้วยกันสามลูกพระผููมีอายุเหมือนกันเขาก็ให้ที่พักน้อยๆหลังเดียวฝาก็เป็นไม้ขยะขาดบ้างไม้อัดตะลุถลวงบ้างตีฝาหลังคาก็ปะแล้วปะออกไม้อัดก็ทำหลังคาได้โอเวเวไปแถังใส่ห้าน้ก็บ้าก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 ต้องได้แน่นอนพอัวห้าเจ้วเดียบร้อยหมดทุกอย่างเลยมานอนให้บอกเพื่อนมันก็ไม่กระทบไปเทือนน่ะไปจุ่มแบบนี้เขาเรียกว่ายาปักนะจ๊ะคิดเขาไม่ใช่เราไปดูเเฉยไม่ได้สัมผัสอะไรมันยากกันไหนมันลําบากยังไงไปจุ่มหรือว่าหยาปักนั่นมาปฏิบัติธรรมนี่มาจุม่มมาเช่อรู้แล้วละ่ะยกเบอร์จ้างจังหวะสิบสี่จังหวะทําเป็นแล้วเดินยังกง้ม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 จุ่มลองดูมันหลงรู้ดได้เสียหายหรือมันหลงไม่เสียหายอาบน้าได้หรืออาบได้อาบไม่ได้หรืออาบไม่ได้ไม่เอาตรงนั้นเราทำลอ ง, ลงดูไปจุ่มลองดูก็หรือว่าจุ่มลองดูเอากายเอาใจมาจุม่มมันมีสิ่งให้จุม่มดูมันมีเรื่อเห็นมันเห็นอยู่ไม่ใช่หามันแสดงออกมาดีดีการดึสษ า, าธรรมะ ม, มันฉายออกมาเหมือนจอ ชีวิตเรานั่งกายใจเหมือนการแสดงของอาการต่างๆเกิดขึ้นกับปลายกับใจตัวติเหมือนกับเราดูหลังดูละครเคยดูหนังดูละครไหมเวลาพระเอกออกมาชอบเวลาศัตรูเอามาจบไปแสดงบทเขาโศกก็โศกกับเขาวทเขาหอเลาะเขาหงอเลาะกับเขาไม่ได้ดูเลยไปแสดงกับเขา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 หนี่เปเอาผัวใหม่ใช่ไหมก <c oughs> ็บอกเลยอภิธรรไม่มาเอาทรัพสมบัติเลยอรัสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนจู่พระครังได้อันนี้เรียกว่าปาริทั์ลองดูมันเป็นอย่างนี้ที่นี่คนดูมือล้มเนี่ยเห็นเขาตีกันหาจารีน้อยน้อยกูดมันมาจะตีขนาด น, นี้เลยจับมาตีจริงๆนะกันหาจารีตัวด้กร้องให้ คนดูก็สงสารกันนะซาลีแม่เท่าคนหนึ่งขายถั่วอบอยู่หน้าเวทีจับไม่คานขึ้นไปไตี <c oughs> นี่ไปแสดงเขา <c oughs> จนความชุกกับนั่นวิ่งเข้าขหลังเอ้ยคนใหญ่ยยคนใหญ่ยยเขาแสดงใฉ้ๆดอกรับไม่ใช่ตีจริงๆลองไรลองไปมันแสดงไหละ่ะยายโกดชุกๆ น, นั่นไปแสดงกับเขาไปสงสารจนน้าตาไหลไปหัวเราะจน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 ใครมาจากไหนเหอ่อเถินเดินผ้ามาใครดำดินดินบนบ่าข้อสอนเร้งนี้จะอยู่ที่ไหนกขพูดเรื่องนี้เพราะนั้นเราก็มาศึกษาดูยาวมาเชื่อเราทำดูมันรู้จริงไหมมันหลงจริงไหมอันูอ้อนหลงอะไรมันเป็นธรรมมันเลือกได้ไหมเราไม่สิดเลือกได้ไหมอ่าต้องรู้จักไม่ใช่เราโง่มีปัญญาไปในตัวมีสินไปในตัวมีสมาธิไปในตัวถ้าเรามีสตินะขอพูดให้ฟังดีใจ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 เอาไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรลูปบ้างไม่เป็นไรอย่าไปเอาดีเอาไม่ดีมันผิดก็ห่อโลความผิดมันทุกห่อโลความทุกข์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้อาว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันดีแล้วมันหลุดพ้นแล้วมันหลงก็ไม่เป็นไรมันผิดบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรทําไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอย่าไปเอาผิดเอาถูกเนาะอย่าไปสุขทุกข์ ยาเป้าชอบไปชอบไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลมาทํากรรมฐานให้ไปเป็นกรรมจริงๆริเป็นจิตจํานากไปสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้อย่าไปเมินไม่ได้เลยหนึ่งวันไม่ได้เลยสองวันไม่ได้เลยอย่าไปคิดแบบนั้นวันรู้ก็รู้อยู่แล้วยาเ ป, ป้าเลยมันรู้จุดตัวก็รู้อยู่ทันทีอยู่แล้วไม่ใช่ไมีอะไรมันก็รู้อยู่แล้วทันทีความรู้จุดตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆรินะ